อภัยแล้วได้อะไรอภัยนั่นแหละรางวัลก็ในเมื่อได้มาแล้วยังต้องถามหาอะไรอีกสภาพทางใจคือสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้าตกอยู่ในสภาพคุมแค้นหาทางเอาคืนให้จงได้ความรู้สึกก็อาจจะเหมือนถูกย่างอยู่ในนรกทั้งเป็น และสภาพทางใจชนิดนั้นก็มักผลิตความเชื่อชนิดหนึ่งออกมาคือถ้าไม่ได้แก้แค้นจะไม่หายแค้นถ้าไม่ทำให้เขาตกลงมาในานารกเราก็ต้องอยู่ในานารกต่อความสะใจที่ได้เอาคืนเหมือนธงชัยที่ปักรออยู่แค่เอื้อมคอยล่อให้มุ่งมั่นขันอกขันใจและกวนความคิดให้ขุ่นมัวปั่นป่วน บางทีเห็นช้างตัวเท่าหมูตีนโตแค่ไหนก็วิ่งเข้าใส่บางทีติดคุกเป็นติดคุกขอให้ได้ยิงคนเดี๋ยวนี้เถอะนานกว่านั้นบางคนถูกขังไว้กับความคุมแค้นในหัวยอมเปลืองเวลาเป็นปีๆจ้องล้างผลาญยอมเปลืองพลังงานมหาศาลวางแผนฆ่าจะแบบให้ตายจริงหรือจะให้ชื่อเสียงย่อยยับก็ตาม ทั้งที่จำนวนเวลาและพลังงานเหล่านั้นเอามาใช้ยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นได้สบายสบายแต่ความแค้นตัวเดียวบังตาบางใจให้เห็นผิดเป็นชอบอยากเอาไปใช้ลดระดับชีวิตให้ต่ำลงแทนสรุปได้ว่าความพยาบาทอาฆาตคือไฟร้อนคือบทลงโทษคือความคิดที่พาชีวิตลงเหว ใครพูดเรื่องอภัยเป็นต้องเนื้อเต้นคิดโต้ทันทีถามทันควันว่าอาภัยแล้วจะได้อะไรวะส่วนการอาภัยไม่ถือสาคือน้ำเย็นคือรางวัลคือการเห็นทางขึ้นที่สูงเมื่อคิดถึงคำว่าอาภัยจะรู้สึกถึงความเย็นภายในไม่ใช่พล่เป็นนึกถึงไก่อ่อนที่ยอมเขาหมด แท้จริงคนที่อภัยได้เป็นปกติคือคนที่มีจิตเป็นกลางหูตาสว่างรอบฉลาดและมีเมตตาพอจะคิดวิธีเอาผิดดีๆได้หรือช่วยให้สำนึกโดยไม่ทำเกินกว่าเหตุได้เมื่อยังโทสะแรงแล้วมีสิทธิ์ลงโทษต่างกันมากกับเมื่อมีเมตตาแต่จำเป็นต้องเอาผิดคน จะตามกฎหมายหรือตามที่ควรก็แล้วแต่โทสะจะทำให้คุณร้อนและรู้สึกถึงการต้องอยู่ในวงจรยมมบานต้องทำหน้าที่ลงโทษกันไปลงโทษกันมาส่วนเมตตาจะทำให้คุณเย็นและสัมผัสถึงการไหลนิ่งไปสู่ห้วงความเย็นกว้างใหญ่ไม่ต้องเบียดเบียนใครไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนอีก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงยาวๆนั่นแหละในที่สุดจะเป็นคำตอบสุดท้ายในตัวเองว่าอาภัยแล้วได้อะไร